พระธรรมรเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าฝึกอุปนิสัยในทานศีลภาวนาแล ว, วันนี้เป็นวันที่ สิบสามกรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพ เ, เมื่อวานเป็นวันเข้าพรรษาวันที่สิบสองกรกฎาเป็นวันเข้าพรรษาวันที่สิบเอ็ดเป็นวันอาสารหาบูชาลูกหลานมีแต่ธรรมาค้าขายรรมาหาเลี้ยงชีพคาว่าวันอาสารหาบูชา เป็นวันอะไรถ้าถามนะคงจะลูกหลานทุกคนที่นั่งอยู่นี่หลวงพ่อมั่นใจว่าตอบนะ่คงจะไม่ชัดเจนอาจจะไม่ถึงครึ่งคนเป็นร้อยสองร้อยที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ถ้าถามว่าวันอาสระบูชาเนะี่ยคือวันอะไรลูกหลานทุกคนก็คงจะตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่ใจอาจจะหลงลืม อาจจะไม่ได้ศึกษาจุดหนึ่งอาจจะไม่ได้ยินได้ยินกับเข้าหูแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้จดจำแต่เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุวันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพนพวกเราจะรู้ว่าวันวิสาขาบูชาวันประสูตรในวันเกิดของพระพุทธเจ้า วันตัดสรุธรรมของพระพุทธเจ้าวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าอันนี้คือวันวิสาขาบูชาแต่วันอาสาระบูชาเป็นวันอะไรวันอาสาระบูชาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนพอท่านได้ตัดสร้ในวันเดือนหกเพนแล้วท่านก็ ได้เสวยวิมุตติสุขค่อยความสุขเกิดจากการหลุดพน้นจากอาสวะเิเลส ข, ของพระ อ, องค์ท่านก็ประทับอยู่ในโครนต้นโพแล้วก็โคนต้นไซแล้วก็เทศะมุตจรินแล้วก็สามสี่แห่งพอจากนั้นพอได้พระ อ, องค์ได้ทีละเจ็ดวันเจวันนะ อย่างสัมมุติจริมเนี่ยก็เป็นเดือนหกเนีฝนก็ตกอย่างนี้แนหะอย่างวันนี้ฝนตกดินพลมพลัพระพระองค์ก็นั่งอยู่ริมสะระพญานาคเห็นพระพุทธองค์นั่งอยู่ตามลำพังฝนตกองค์ก็ไม่ลุกนะนั่งสวยวิมุตติสุขเนะี่ยพญานาคราชก็มาพันอ่พันอ่าพันแท่นธรรมมากเลยแล้วก็แผ่พังพา คล้ายๆว่าเป็นเป็นร่มกันพระพุทธเจ้าไม่ให้ตกฝนตกถูกนะพวกเราเห็นพระนาคปกพระนาคปกนะก็คือปางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วพระองค์ได้สวยวิมุตติสุขอยู่ที่ริมสระพญานาค ก, ก็ขึ้นมาแผ่พังพาลครอบเอาไว้ไม่ให้ฝนตกถูกพระพุทธเจ้าอันนี้แปลว่าปางหนึ่ง ครียว่าพระฝางนากปกแต่ในเมื่อพระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณนั้น่ะพอสมควรทันีีพระองค์ก็อที่นึกถึงธรรมที่พระองค์ได้ตัดสู้น่ะอริยธรรมมรรคผลนิพพานที่พระพระุทธเจ้าได้ตัดสู้ในวันเดือนหกเพ็นท่านบอกโอ้เราจะไปโปรดใครเนอะ ก็เนื้ย้อนหลังอีกเหมือนกันธรรมของเราที่ได้ตัจรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นธรรมที่ย้อนความรู้สึกของมนุษย์มนุษย์นี่ชอบไปทางโลกโลกโรธหลงราคะความกำหนัดกินดีโทสะความไม่พอใจโมหะคือความหลงว่าตัวเองจะไม่ตายเกิดมาแล้วเนี่ยข้าจะอยู่ชั่วฟ้าดินชลายตายไม่เป็น ถ้าหาว่าไม่มีใครถ้าหาว่าเราไปบอกว่าเกิดมาตายนะโลกนี้เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงนะตายนะมีทุกขังนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเรานะศาลาหลังนี้ไม่ใช่หลวงของหลวงพ่ออินนะศรัทาญาติโยมไม่ใช่ของหลวงพ่อนะ แต่คนทั้งหลายหลงพอง่ออินถึงไม่ใช่ของผมเนี่ยแหละเนี่ยของข้าพเจ้าเนี่แหละก็จะเถียงนะแต่พวกพุทธเจ้าท่านว่ามันไม่ใช่นี่แหละขบัติทวนกระแสนะแลมันทวนกระแสทรัพย์สมบัติไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดร่างกายของท่านยังไม่ใช่ตัวตนของท่านนะร่างกายอีกสักวันหนึ่งบอกมาให้มันแกผมอย่างอกนะมันก็งอกก็ขาว หูอยากตึงนะมันก็ตึงตาอยาฟฟางฟางนะตาก็ฟ้าฟางหนังอยาเหี่ยวอยากย่นนะมันก็เหี่ยวยน่นหลังอยาค่อมนะมันก็ค่อมเพราะอะไรเพราะมันไม่เชื่อฟังไม่เพื่อไม่เชื่อฟังพระยาจิตรราชไปเชื่อฟังใจกายได้มันไหลไปตามสภาพเพราะฉะนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าเพราะจะเป็นของเราได้อย่างไร ว่าเราเราคำนี้เนี่ยพระพุทธองค์ได้ไปแยกแยะนะไปศึกษาอยู่ที่โครนต้นโผธิ์ถึงหปีเนะี่ยไปนั่งอยู่ที่คนก้นโผธิ์ไหปีก่อนที่ได้จัดรูนะ้เน่ยแยกแยะดูนะแยกแยะดู น, ะนั่งสมาธิดนะูกายกับใจใจกับกายกายกับใจใจกับกายเนี่ยกายนะก็คืออะไรกายก็คือร่างกายของของเราดยตาหูจมูกลิ้นกายในว่ากายใจนั่นคืออะไรนามธรรม สี่โรโรอยู่นั่ น, นตัวนั่นแหะคือใจเนี่ ย, ยพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่ากาย น, ยนะท่านบอกว่าใจกับกายขับนั่นแะแยกกันได้แล้วแต่ร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ใจนะใช่ไหมใจรับรู้ไหมถึงใจจะรับรู้ว่ากายของข้านี่แหละจะเป็นของใครญาติพี่น้องของข้าเนี่ยสามีภรรยาลูกหลานของข้าเนี่ย อญ า, าติโกติกาของข้าในี่ประเทศชาติของข้าถึงใจจะพูดยังไงก็เถิดของข้าของข้าขนาดเทยก็เถิดมันไม่ใช่ของท่านนะอีกสักวันหนึ่งท่านจะต้องตายถ้าจะเขาจะต้องเอาเผาร่างของท่านทิ้งเห็นไหมเขาจะต้องเผาร่างของท่านทิ้งท่านเขาจะต้องฝังดินของท่านไว้อ่าแล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสอน นี่ถือทวนกระแสแล้วถึงเอ่ถ้าเราไปพูดอย่างนี้เนะี่ยเราจะไปพูดให้ใครฟังหนอใครเลยจะเชื่อเรา เ, เอาเถอะถึงเราจะพูดไปเราก็เหนื่อยเปล่าฮะเอ่อเราก็เหนื่อยเปล่าคนไม่เชื่อแล้วจะทํายังไงพูดให้ฟังเขาก็ต่อต้านขึ้นมาเอ่อเราจะไปพูดทําไมฮเราไม่พูดละเราจะปรินิพานเลยแหละพอเราได้ตัดสินแล้วก็ปรินิพานไปจบจบไป ไม่ต้องยุ่งกับโลกะอันนี้คือพระพุทธเจ้าขนขวายน้อยเท่นี่พวกพรหมทั้งหลายพวกเทวดาทั้งหลายทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ขนขวายน้อยจะเป็นผู้ไม่แสดงธรรมไม่โปรดใครละเท่นี่พอได้แล้วก็ได้เงินเพชรนินกินดาใส่กระเป๋าแล้วก็ไปสวยหาความสุขตัวเองที่ไหนไหนแล้วก็เลี้ยงชีพพอเป็นไปได้ไม่ต้อง แบ่งปันให้ใครน่ะจบที่เทวดาพรมทั้งหลายโอ้ขอพระองค์จงโปรดเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเถินพรมเป็นหัวหน้าเนี่ยพมพรมคือผ ม, มวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาเ น, เนี่ยเห็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเถินพระเจ้าข้าจึงได้อราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมกับเทวดาทั้งหลาย พมมาจโรกาทิปติสหมปฏิเนี่ยคืออยากจะให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพราะนั้นพวกเราจึงถือเป็นประเพณีมาพอพระสงฆ์ขึ้นธรร ม, มาตแล้วก็พวกเราก็อาราธนาพรมมาจโรกาเนี่ยคือใช้แนวแถวนั้นละ่ะมีแต่หลวงพ่อของเราเนี่ยปรับปรุนมาไม่ต้องอาราธนายากใช่ไหมพูดป้าป้าให้พวกเราได้ฟังอย่างเดียวนี่หละนะ แ, แนวให้พวกเราได้ยินได้ฟังให้เกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังแต่ีนเมื่อพรมอาลาธนาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอืมใช่เราก็เป็นมนุษย์พวกท่านเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เพราะพรมก็ให้ให้แนวความคิดอีกแหละพรมท่านเทวดาท่านให้นึกแนะแนวความคิดถวายพระพุทธเจ้า ว, ว่าผู้มีกิเลสน้อยยังมีอยู่ ผู้ที่มีกิเลสเบาบางที่ได้บาเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติมีอยู่พระเจ้าค่าเมื่อพระองค์แสดงทำพวกทรรพสัพตว์หรือว่าท่านผู้มีอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จมรรคผลนมีอยู่ท่านของโปรดท่านเหล่านั้นเถินพระเจ้าค่าไอ้พวกที่ไม่ฟังก็ไม่ต้องว่ากันละไม่ต้องไม่ต้องสนใจ ผู้ที่ไม่เชื่อไม่เคารพไม่นับถือเรื่มใสก็ปล่อยให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเป็นองค์แสดงโปรดโปรดแสดงโปรดท่านเหล่านั้นกลุ่มนั้นแต่กลุ่มที่พระองค์ที่จะได้ตรัสรู้มีอยู่ขอพระองค์โปรดในกลุ่มที่ผู้มีปัญญาหรือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาแล้วจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในคราวนี้ครั้งนี้ยังมีอยู่พระเจ้าค่ะ คือผมอ า, ารัธนาเทวดาอารัธนาพระองค์ขอรับเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วท่านขอเอถ้าอย่างนั้นเราจะไปโปรดใครนเนาะเราจะไปโปรดใครเป็นคนแรกเนาะพระองค์ค อ, อนึกไปดูดาบททั้งสองดาลาราบทอุตตะดาบทคือดาบทก่อนหน้านี้เยพระพุทธองค์ได้เข้าไปศึกษาฮ เนีเพราะฉะนั้นพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาเนี่ยต้องศึกษานะลูกหลานนะออไม่ใช่ว่าพอโลกพิเร ข, ขึ้นมาเป็นดอกเตอร์เอาดอกเตอร์เอาเป็นดอกเตอร์หวยท่านเองทีนี้พราะไม่ได้ศึกษาใช่ไหมเนออีดอกเตอร์อะไรก็ไม่รู้แต่เพราะพวกทายาทเนะี่ยท่านขนาดท่านเออเป็นผู้เฉลียวฉลาดท่านก็ยังเข้าไปศึกษากับดาวบทสองท่านนะในในละแวกนั้นนะเป็นท่านทัน้ตั้งสำนักมีบริวารคนละห0าอนะ ก็ไม่ใช่สำนักน้อยเหมือนกันนะขณะสำนักหลวงพ่ออินมีพระปีนีจ้จำพรรษาส5สิบห้ารูปพวกเราก็ยังว่ามากอยู่ใช่ไหมอันนั้นตึงห้าร้อยเนี่ยพ่อโต้งก็เข้าไปศึกษาพ็เข้าไปศึกษาทําหมดทุกอย่างที่ท่านฤาษีที่เป็นหัวหน้าสอนสิทธธถรเข้าไปศึกษาเพราะศึกษาเสร็จแล้วไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงจุดจบที่เราต้องการ อันนี้เพียงแต่เข้าไปในสมาธิจิตใจสงบนิ่งและเกิดญารณรัตนะเกิดฌานไม่ใช่ทางเราไปคาพุตกะดาบ ท, ที่เหนือกว่าดาราราบทเข้าไปศึกษาอีกท่านก็สอนอีกแต่มันเหนือกว่าองค์ที่แล้วอันนี้ไม่ใช่ทางแต่ดาบ ท, ทั้งสองนะั้นอายุมากแล้วท่านบอกเออท่านศิดธรรขอให้ท่านมาเป็นคณาจารย์สอนสิ แทนผมหรืผมจะมอบให้เพราะชีวิตของผมแก่แล้วขอให้ท่านที่ท่านได้เรียนน่ยท่านเรียนได้เร็วมากจบเลยนะี่ยที่เราสอนให้ฟังเนี่ยท่านทําได้หมดทุกอย่างเออเป็นพวกรอบครอบจบแล้วขอมอบคณะสิทธิ์มอบวัดให้สิทธิทธรรบอกว่าไม่ยังไม่เอาเออในใจของพระองค์บอกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงจุด เพียงแต่รักงับไว้เท่านั้นเองเหมือนกับหญ้ามันเกิดขึ้นมาในดินแล้วก็หาแผ่นกระดานหรือ แ, แผ่นหินทับไว้ท่านเองถ้าพอยกแผ่นกระดานขึ้นมาและยกแผ่นหินขึ้นมาหญ้าีะยิ่งงอกเงยยิ่งงอกงามขึ้นอีกยังไม่ถอนไม่ถึงกระถอนลากถอนโคนทำที่เราได้ศึกษาจากท่านดาบททั้งสองนี่เป็นแต่เพียงหินทับหญ้าเท่านั้นเองเพระพุทธองค์ท่านรู้นะ รู้อย่างรู้นะนี่ยเป็นปัญญาไม่ใช่ว่าไปฟังกับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เชื่ออ๋อเชื่อเอามีแต่เชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะเพราะพระเจ้าของเรานี่ท่านให้ใช้ปัญญานะให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบคอบให้ใช้ความคิดกันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลนั่นแหะท่านไปไปศึกษากับดาลาดะบท์อุตตรกาดับท2สอง อ, อ, สองดาบด์ท่านก็เชื่ออยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เชื่อถึงว่าท่านจะต้อง พ้นทุกได้ท่านกลาลาดาบททั้งสองดาบททั้งสองก็อึง้งเนยเสียใจผิดหวังวันน่าจะมอบให้เิทธะเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ต่อไปเพราะลูกศิษย์ท่านมีคนละห้าร้อยนะ่แต่ที่พระองค์ก็มาบําเพ็ญด้วยพระองค์เองด้วยพระองค์เองอดพระกยอาหารทึกสี่สิบเกวันไม่ใช่ทางพระอดทรมานร่างกายเนี่ยไม่ใช่ทางต้องดูใจเนี่ย นี่แหละท่านจะให้ความเรื่องเรื่องสัมให้ความสําคัญเรื่องของใจมากนะพี่น้องลูกหลานสัตยาญาติโยมท่านบอกว่ามนโนปุพังขมาธรมามนโเามนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่กายนะเนี่ท่านแยกออกมาเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะ เ, นเราก็ให้รู้เลยว่าเออพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องของใจ ใจกับกายเนี่ยเป็นอยู่ด้วยกันเ อ, อ, อยู่ด้วยกันแต่ท่านบอกใจใจร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเรานะเหมือนกับรถเนี่ยรถเก๋งคันนี้นะเราขึ้นไปนั่งรถเกง๋งรถคันนี้เป็นของเราจะไม่ใช่ผมซื้อมาอแต่อีกสักวันหนะึ่งรถคันนี้มันจะต้องจอดจะต้องตายนะเ อ, อจะต้องเป็นสนิมผูนะใช้ไปเ อ, อใช้ไปแบบไม่จอดเลยเนะี่ยไม่ถึงสีปีแนละ้วตายนะ จอดนะรถคันนี้นะแต่โซเฟอร์บางคนไม่ใช่ผมเอามาจากท้องแม่แท้ๆมันจะตายได้ยังไงผมของผมเองฮะอันนี้เปลว่าดันทุลังไม่เชื่อฟังใครแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เชื่อขึ้นมาแล้วเออใช่รถคันนี้เราใช้มาแล้วเนะี่ยอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องจอดจะต้องตายแน่ๆในขณะที่นั่งรถคันนี้เราควรจะหาเงิน ควรจะหาเงินมาใส่กระเป๋าเราเพรอวันรถคันนี้มันพังขึ้นมาเมื่อไหรเราก็จะได้หาเงินไปซื้อรถคันอื่นให้ดีกว่าแต่ถ้าว่าคนโง่เสร็จแล้ว ม, มันจะไปที่ไหนเราซื้อมากับมือแท้ๆเลยมันจะต้องอยู่กับเราเนี่หละตลอดไปเอาไปวันดีคืนดีหม้อน้ํามันแตกใช่ไหมละ่ะสายผ่านมันหลุดขี้เสียดิบ ม, มันเกิดเกลอยไปหมดทีนี้ โซเฟอร์นะเขไม่รู้จะทํำยังไงเข้าไปหาอู่ซ่อมไปหาโรงพยาบาลก็าโอ้ยซ่อมไม่ได้แล้วหมดสภาพจริงๆ ร, รถของคุณแล้วโซเฟอร์ทำไงก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าว่ารถคันนี้จะตายใช่ไหมละ่ะผลที่สุดก็เลยหาเงินจะซื้อรถก็ซื้อไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้คิดไว้ก่อนนนี่แหละคํานี้แหละพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราลูกหลานนะตถาญ า, าติโยมนะถ้ารถคันนี้ตายแน่แนแน อถึงจะรถดีขนาดไหนก็เถอะรถเบนซ์เอ็มบออะไรก็ตามเอยรถฝรั่งขนาดไหนก็เถอะโลโซลองโลซลอยขนาดไหนก็เถอะตายทั้งนั้นทีนี้เมื่อรถตายไปแล้วเราทายังไงถ้าเราไม่มีเงินอโซเฟอร์นะั่นก็จะต้อง เ, อเดินออกจากร ถ, ถ, ร ถ, ถกแล้วก็ย่าําตอกเลยดูสี่รถนะ่ะเรามาขึ้นมาถึงวัดเราเราก็จอดใช่ไหมดับเครื่องใช่ไหมดับเครื่อง มันก็อยู่เน่งแต่พอเราจะไปเราจึงสตาร์ทเครื่องเราจึงวิ่งไปแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่เกิดมาจากท้องแมนะ่หัวใจเราเคยหยุดไหมดูซิเ อ, อเวลานอนมันก็ยังหายใจฝ่าฟูฝ่าอยู่หัวใจยังทำงานอยู่แปลว่ารถของเราคันนี้เนะี่ยไม่มีหยุดเลยเออบางทีตั้ง8ป0 9 0ปปีนะเออยังหายใจตลอดไม่เคย เว้นระยะห่างกันเลยหายใจตลอดนี่แหละแปลว่ารถของเราคันนี้ใช้มาทนมากทนทานมากนะแต่ว่าบางคันก็อย่างว่าเหมือนกันนะบางทีก็เข้ามาเกิดมาน้อยเดียวก็าตายก็มนะีนี่แหละสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูด้วยพระ อ, อ, องค์เองอดพักกายหานบางทรมานร่างกายพรอที่สุดไม่ใช่ทางท่านก็มาดูใจ คือดูนามมรธรรมคือว่าตัวผู้รู้เนี่ยเท่านี้กายเนี่ยใช่ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งแต่จิตใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ล่ะใจของเราไปหลงะไปหลงในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของจิรังทาวรจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเอไปหลงพอไปหลงพอไปหลงร่างกายเท่านั้นแหะเท่นี้พอหลงร่างกายกันหลงส่วนอื่นเลหลงพี่หลงน้องหลงน้องหลงสามีภรรยาหลงลูกหลงล้าน หลงที่พักพาอาศัยหลงเงินหลงทองหลงที่พักหลงสาหลงศาลาอย่างนี้แหละหลงพ่ออินกัหลงซาลาหลงลูกชิ์ลูกหาลักษณะอย่างนั้นเพราะมันหลงหลงร่างกายของตนเองก่อนแต่ถ้าเราไม่หลงร่างกายทีนี่ร่างกายอัเทอร์นาหลงพ่ออินอีกสักวันหนึ่งนะหลงพ่ออินจะต้องถูกเผาไฟทิ้งนะจะต้องฝังดินนะกระดูกขององค์อินมีแต่กระดูกนะ เอาไปด้วยไม่ได้นะหลวงพ่ออินนะถ้าหากหลวงพ่ออินรู้แก่ใจรู้รอบข อ, อบชิดรู้ไปทุกอย่างรู้กระทั่งวันเกิดจนถึงวันตายหลวงพ่อก็ไม่หลงไม่หลงก็ไม่หลงชีวิตของเรานะี่มีจุดจบแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้สอนให้รู้ให้ศึกษาให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํำถ้าทําไปแล้วทำทำลงไปแล้วนะกรรมจะตามสนองนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้ากรรมนะเป็นเป็นเรื่องใหญ่ในหลักของพุทธศาสนากรรมมุนนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้แล้วนะแต่หลวงพ่อยกเกือบทุกวันก็คืออักตังทุ ก, กตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุ ก, กตัง กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองวิญญาณของตนเองใจของตนเองไปเกิดในพบใดชาติใดจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังกรรมตัวนี้มันจะตามสนองตามบี้จิตใจของเราพูดกระทำแต่เมื่อขณะที่ทำเราก็ทำด้วยความฉลาใจฆ่ามันเลย ทุบตีมันเลยต้นมันเลยโคดกองมันเลยไม่ว่าฆ่าสัตว์ไม่ว่าอะไรที่ทำความชั่วเลยแต่ขณะที่ทำทำด้วยความฉ้าใจนะแต่อีกสักวันหนึ่งกรรมตัวนั้นไม่ไปไหนเลยตามย่องไปตามดวงวิญญาณพอเกิดพบหน้าชาติหน้ากันนะแต่แกได้ฆ่าเขาไว้ใช่ไหมกรรมตัวนั้นนะข่าวนี้เขามาเขามาฆ่าท่านแล้วนะเพราะท่านได้ท่าฆ่าเขาไว้ ท่านท่านต้องใช้นีิกรรมเราต้องได้ใช้นีิกรรมพอเราใช้นีิกรรมเราก็โบกเวกวยวายที่ไหนออข้าไม่ได้ทําอะไรในชาตินี้ใอชาติอะไรที่ชาติที่แล้วชาติก่อนเราทํากับเขามาจนพอแรงแล้วนะทำด้วยความใจมาพอแรงแล้แต่มาคราวนี้ตัวเองจะเป็นหนีไปไหนหนี่ละสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ใ ห, ให้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เป็นผู้สำรวมระวังให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพรรษานี้หลวงพ่อเองอยากจะเตือนย้ำเตือนกับพวกเราทุกคนก่อนหลับนอนควรจะไหว้พระธรรมวัชกรอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนนโมตัสสะพคะวะโตสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาได้อย่างน้อยนะ อย่างน้อยนะได้เพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะแล้วก็ตื่นนอนมาแล้วก็ไหวพระเอกอันนี้ก็คือเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราถ้ามากกว่า น, นั้นผู้สูงอายุถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะศึกษารักษาศีลห้าสอมตไตรมาส3เดือนพยายามไม่ฆ่าไม่ขโมยแล้วก็ขอรบในสิทธิ์สามีภรรยา อย่าโกโหกอย่าดื่มสุรานะเพียงห้าข้อเท่านั้นนะ่ะโทษที่เราคิดยากที่สุดนะหลวงพ่อว่ามันเป็นย่าปากข้อก็คือตัวฆ่าสัตว์ตัวฆ่าสัตว์เพราะเห็นหมดเป็นอะไรก็บี้เห็นมแมลงวันนะเออทุกวันมีอะไรตาขายฆ่ามแมลงวัน น, ะนี่แหละโดยมากคนแก่ไม่มีอะไรทําก็ฆ่าแมลงฆ่าสัตว์ ถ้างดได้ก็ดีอย่าไปฆ่ามั น, ม, นมันก็กลัวตายเหมือนกันฮะแล้วก็ตัวที่ <c oughs> คน <c oughs> คนแก่ระวังยากที่สุดก็คือมูซาตัวมูสาคือตัวขี่ตัวอ <c oughs> ตัวโกหกเนะี่ยตัวนี้เนะี่ยคนแก่โดยมากมันทําจนเป็นนิสยัยวหมือนกันแต่โกหกลูกโกหกล้านเรื่องนั่นเรื่องนี้ทั้งที่มันเป็นอย่งงางนั้นกับโกหกเขาเนะนี่ยนะตัวนี้แนละ่ตัวหนึ่งเขาพยายาม ตัวอื่นลกงพ่อว่าไม่นามีปัญหานะเราจะไปขโมยของใครพอเราอายุแก่แล้วนะอสามีภรรยาลูกหลานใครเราจะไปละลาประลวงเขาได้ยังไงพอเราอายุแก่แล้วเราอยู่ปูนปูนนี่แล้วนะแล้วจะดื่มสุราก็เหมือนกันเราจะไปดื่มเพื่ออะไรอเว้นเสียทุ่คนหลงลุ่มหลงมัวเมาจริงๆริงจึงจะมัว่วไปทั้งห้าข้อนะ แต่ถ้าว่าผู้ที่เข้าสู่วัดวาศาสนาสมบัติผู้ดีอยูออ่ก็คงจะตัวสองตัวเนี่ยคือตัวปานากับตัวมุสาเนี่ยที่มันย่าปากคอกมันจะออกเร็วกว่าเพื่อนเราควรรักษาซะไตรมาสสามเดือนข้าพเจ้าจะสำรวมระวังศีลห้าข้อเนี่ยหรือว่ามากกว่านั้นก็รักษาศีลอุโบโสถทุกวันพระถ้ามากกว่านั้นก็ใสาบาตร พระสงฆ์ผ่านหน้าบ้านของเราก็น่าจะใส่บาตรนะเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทควรจะใส่บาตรทุกวันอาทิตย์กระดัทุกวันพระก็ะดัหรือวันถ้าใส่ได้ทุกวันก็ยิ่งจะดเีเป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสน า, าแต่บางคนก็ปามาดไปก่อนว่าการใส่บาตรไม่รู้ว่พระดีพระชั่วยังไง เ, เราไปใส่เนี่ยเป็นนั้นอีกตามไม่จริง เรื่องดีเรื่องชั่วเป็นของท่านตามให้จริงฝึกฝนอุปนิสัยไว้กด็ดีใส่บาตไว้เพื่อเป็นอุปนิสัยทางปูทางเขาตนเองไว้ถ้าว่าเราปูทางไปเป็นคนชอบทําบุญทําทานเกิดมาพบนายชาติหน้าได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระประเจพท้าเห็นพระอรหันต์ตรัสรู้แล้วก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเราได้ทําบุญกับท่านเหล่านั้นน่ะบุญกุศลมหาศาล แต่ถ้าเราฝึกในทางขี้ตันีทีเหนียวไว้เห็นใครก็ไม่ยอมให้กลัวเขาจะกินไปแล้วไม่มีประโยชน์คนทุกคนจนกหไม่ให้คนหูหนวกตาบอดก็ไม่ให้สาธารณประโยชน์ก็ไม่ให้เห็นพระสงฆ์มาก็ไม่ให้ฝึกเป็นคนขี้ตันีทีเหนียวไปเห็นใครก็ไม่ให้พรานฉี่สุดก็เลยเป็นคนจน เ, เกิดมาพบใดชาติใดก็จน ไม่ทํามาค้าขายก็ไม่ขึ้นเพราะอันนี้สงทานไม่มีนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกในการทําทานไว้กว็ดีเหมั่นกันนะข้าหน้าตาทายาทโยมลูกหลานแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ทาบุญทั้งหมดไม่ใช่แบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้คนโบราณเขาบอกว่าเออขอให้ข้าเพเจ้าออทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองให้มีอยู่มีกินให้ได้ทําบุญทําทานเนาะอันนี้เขาว่าก็ไม่ไม่ใช่อยู่กินเฉยเฉยนะ เท่าให้มีการทำบุญทำทานด้วยนะการทำทานเนี่ยเป็นบอ่อเกิดแห่งความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตในชีวิตของพวกเราเพราะนั้นในพรรษานีหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะให้มองตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีบุหรี่เคยสูบ ง, งดซะได้ไหมสามเดือนเล่างดไม่กินเด็ดขาดสามเดือนได้ไหม การพนันเที่ยวกลางคืนอบายมุกดื่มสุราเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกจฉาค้านทําการงานเราทําได้ไหมยศในสามเดือนอแล้วก็ เ, เราเข้าไปเจ้าจะไหว้พระทุกวันตื่นนอนไหว้พระทุกครั้งทําวัดเช้าแล้วก็ไสบาส ท, ทุกวันรักษาศีลห้า และก็มากกว่านั้นสมเดืนเอนควรจะวางชีวิตของตัวเองคือทำตัวอย่างให้ลูกดูนะวันเสาร์พาลูกพาพ่อบ้านสามีภรรยาลูกไปหาพ่อตาแม่ยายไปหาพ่อภรรยาพูดง่ายๆพอวันอาทิตย์พาลูกพาภรรยาไปหาพ่อแม่ตัวเองไปหาทางฝ่ายปู่ย่าถามสารถุกสุกดิบ ขาดเหลืออะไรพ่อแม่มีอะไรที่จะให้ครอบครัวผมรับใช้มีอะไรเพราะท่านทั้งสองนะอท่านดูแลเรามาจะเกิดเราควรวจะทดแทนพระคุณของท่านบ้าง อ, อันนี้ก็คือไปอแสดงตรงตน เ, เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่อธิษฐา ท, ที่สองอต่อไป เ, อเราจะไปซอก ป, ปิ้งก็ได้เทนีเพราะภรรยาจะเข้าห้างซื้อสินค้าก็ได้ พ่อบ้านจะไปตี ก, อก๊อฟก็ได้แต่ข้อที่สาคัญจะไปทําความชั่วเท่านั้นนะอย่าไปเ ล, เล่นการพนพนอนจะไปกินเหล้าเท่านั้น ส, ส, สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำนะแต่ในพออาทิตย์ที่สเราก็ทําอีอย่างเราพออาทิตย์สี 4, เราก็ไปช็อปปิ้งอย่างที่ว่าเดือนหนึ่งสอาทิตย์เนะ่ยเราทําอย่างนี้ได้ก็ดีนะเพราะเหตุอะไรวางแผนชีวิตของเราอยากจะให้ลูกดี ต้องทำดีให้ลูกดูฮะอยากจะให้ลูกหลานดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานดูหนะลวงพ่อว่านะลูกของพ่อกเหมือนกันอยากให้ลูกศิษย์ดีลูกหลงพ่อก็ะทำดีให้ลูกศิษย์ดูเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะได้มาสู่วัดของหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายให้เป็นให้พวกเราได้คิดได้กันกรองไตรตอง ด้วยเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดนี่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่หลวงพ่อพูดอย่าไปเชื่อทีเดียวนะให้ฟังเอาไว้เห็นไหมขนาดพระพุทธเจ้าไปศึกษากับดาราบทอุตตรกาดาบทท่านเชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการฮเห็นไหมท่านให้ใช้ปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันมาฟังหลวงพ่ออินพูดหรใช่อยู่ ในมุมหนึ่งแต่มุมหนึ่งอาจจะเป็นอีกแนวหนึ่งกระสุดแท้แต่พวกเราจะคิดนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อมั่นใจว่าที่หลวงพ่อแนะนำไปในหลวงพ่อมั่นใจในการแนะนำสั่งสอนลูกหลานคณศาธาธาาจัรยาญาติโยมถ้าปฏิบัติได้อย่างที่หลวงพ่อพูดคงจะไม่ผิดช่างคงจะไม่ผิดทั้งหมดคงอาจจะมีอาจจะมีถูกเป็นเป็นส่วนมากอาจจะมีผิดนิดๆนิดๆนะหลวงพ่อว่ากันนะ แต่หลวงพ่อที่มั่นใจว่าถูกทุกคําถูกทุกอย่างที่หลวงพ่อแนะนําแต่พวกเราอาจจะเอาไปการกลองโดยสิ่งไปไตรตรองดูพเด i, พราะเหตุใดเพราะว่าหลวงพ่อก็บอกได้เลยบอกแต่ที่แรกแล้วให้ท่านทั้งหลายนําไปการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลดูไม่ใช่หลวงพ่อพูดอะไรเชื่อทั้งหมดไม่ใช่น ะ, ะถ้าเชื่อทั้งหมดกับหลวงพ่อบอกเปรียบเทียวนะพวกท่านเหมือนกับควาย เหมือนกับวัวควายหลวงพ่อสนตะภายแล้วก็เดินเดินตามหลังเป็นพลวนไปหลวงพ่อไม่อยากจะให้พวกเราเป็นควายเป็นวัวเป็นควายอยากจะให้เป็นอัจฉริยะเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีปัญญ า, เ, าเมื่อฟังให้โพูดให้ฟังอย่างนี้แล้วให้นําไปคิดาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลในเมื่อเหตุผลลงแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ถ้าว่าไม่เชื่อจะแสดงว่าพวกท่านเนี่ยดื้อด้านโง่เง่าเตาตุ่นหัวชนฝาใช่ไหมเนีก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะฮะพวกปัตะปรามาไม่ยอมฟังคําใครเฉยเลยอันนั้นก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้น เ, เพื่อให้พวกเรามีความคิดแนวความคิดที่ดีไปปรับปรุงกายว่ายใจาใจของพวกเราเอาตนี้ไปรับผ่นนัตตน์นะ